ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการมบระโพิยานในวันนี้ก็คงเป็นการนำเสนอในบนเส้นทางการมาเป็นเพียรของพระพุทธเจ้าตามที่ทรงแสดงไว้ในประสูต์ต่างๆคือแสดงในยุคหลังแต่ก็หมายความว่าเป็นการย้อนอดีตของพระองค์เป็นธรรมะในแนวที่เรียกว่า เดินตามรอยบาทพระศาสดาหรือสำนวนท่านเรียกว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วถ้าสำนวนไทยก็น่าจะสงเคราะห์กับข้อความที่ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กันอนี้ทรงแสดงแก่พระนุรุตเป็นต้นในวิตรกสูตรเหมือนกันความว่าเมื่อทรงกำหนดนิมิตในสมาธิก่อนการสัสรู้บางครั้งจําแสงสว่าง เ่านั้นําแสงสว่างได้นะฮะบางครั้งก็ทรงทรงจำแสงสว่างได้แว่าบางครั้งก็เห็นรูปบางครั้งก็หายไปทั้งสองอย่างจึงทรงกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เป็นเช่นนั้นก็ทรงเห็นอุปกิเลสคือความลังเล อุปกิเลสเนี่ยที่จริงส่งจำแนกแสดงไว้ที่เราคุ้นๆเนี่ยคืออุปกิเลสสิบหกแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วกิเลส ท, ทั้งหลายมันก็เป็นอุปกิเลสนั่นแหละคือเข้าไปทําให้จิตมันเศร้ามองพวกเจตสิกธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยเราอาจจะสรุปเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้นะเรียกชื่อในฐานะที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคล ความลังเลเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญอย่างในปัจจุบันเรานึกดูถึงการสอบแบบปรนัยหรือวันนี้มีเกมต่างๆในแนวของการตอบซึ่งว่าที่จริงก็ดีนะครับคือมันก็เสริมความรู้ความเข้าใจความรู้รอบตัวให้แก่คนได้เป็นนั้นมากแต่ถ้าคนเกิดความลังเลเนี่ยบางทีมันก็หมดเวลา ้ะมาเวลาออกข้อสอบจยมาจะออกในแนวที่ให้วินิจฉัยข้อมูลเราเขียนประโยคมาให้เธออ่านดูว่าถูกหรือผิดให้ขีดผิดขีดถูกสามสิบข้อแล้วก็มีตัวเลือกสี่ตัวเลือกสามสิบข้อแล้วก็เขียนข้อความแล้วให้เติมให้เติมข้อความร้อยข้อเนี่ยเราให้แปดสิบนาทีว่าเธอต้องคิดให้น้อยกว่าหนึ่งนาที ทั้คิดทั้งเขียนเนี่ยเพราะฉะนันต้องคิดได้เร็วตอนตอนเลือกกับตอนตัดสินผิดถูกเนี่ยเพื่อจะเอาเวลาตรงนั้นไปเขียนหรือมันก็กินเวลาเพราะนั้นถ้าเกิดลังเลเอคิดแล้วคิดดีคนก่อนก็ตรวจ ด, ดูก็สอบนักเรียนชุดหนึ่งแกเขียแล้วก็ลบแกวงกลมแล้วก็ลบวงกลมแล้วก็ลบมาหน้อินดูนะฮะตรงตีวงกลมผิดไปเลยเราจะเจออย่างนี้บ่อย นั้นเป็นลักษณะของความลังเลไม่แน่ใจมันเกิดจากการที่เราไม่ใช้หลักก็ เ, เรียกว่าโยนิโสมานสิกานเพราะอาการเหล่านี้มันเกิดมาจากอโยนิโสมานสิกานคือไม่ได้คิดได้มีระบบมีกฎเกณฑ์ในการคิดว่าอะไรคือความถูกต้องดีงามทั้งหลายบางครั้งบางคราวเนี่ยคืออธิบายตั้งคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมันเป็นสัมผัสตรงมันน่าจะอธิบายได้ แล้วว่าต้องไปคน้นมาค้นมันทําอะไรเรามันอยู่ในจิตเราอะคุณพ่อคุณแม่ก็ถามมาก็พูดเลยเขียนเลยไม่ต้องไปคน้นไม่ต้องไปดูนั่นมันความคิดคนอื่นมันสัมผัสตรงกับคนอื่นสัมผัสตรงกับเราคื อ, อยังไงที่จริงแนวตัวเนี้ยมันมันก็เป็นแนวสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วก็เป็นกระบวนการก็ธรรมชาติธรรมดาอย่างอย่างให้พระเตาแต่งกระทู้เนี่ยครับบางทีเรื่องธรรมดาเนี่ย จะนแม่เป็นมิตรในเรือนเนี่ยโอยท่านคนสยมยุ่งไปหมดเลยบอกคนทำไมเราอยู่ภายในจิตนะเขียนนง่าสีเขียนจะความรู้สึกอ่ะมันก็เป็นธรรมะเองอ่ะไม่ใช่ไมเรื่องไม่ใช่มาจากนอกฟ้าป่าหิมะผ่านแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในชีวิตของมนุษย์พระเจ้าทรงแสดงว่า องทรงแสดงโลกความเกิดของโลกความดับของโลกข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับของโลกทิศกุณฑกายซึ่งมีความยาวประมาณวานหนึ่งมีความกว้างประมาณกมณหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี้เองไม่แสดงที่อื่นใดเพราะในความความลังเลจับใดที่ยังลังเลเนี่ยมันต้องเพิ่มปริมาณปัญญา ต้องขบเจาะต้องศึกษาค้นคว้าสักถามสอบถามวิเคราะห์วิจัยไปตามลำดับทีประการหนึ่งคือความเครืบเคลิอและง่วงนอนที่สำนวนบาลีก็เรียกว่าทีนะมิถะมันจิตมันก็เรียกว่าลีนะจิตคือจิตมันหดหู่จิตมันใช้งานไม่ได้คือไม่พร้อมที่จะทำงานให้ลองสังเกตว่าพอเริ่มง่วงแล้วก็ยุ่งลนะ ไม่ว่าจะฟังจะอ่านจะทำงานหรือแม้แต่จะดูข่าวคราวต่างๆนี่มันเบลอหมดเลยและอยากขับรถก็ได้กันถ้าไปทำงานเสี่ยงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายเนี่ยแวบบเดียวโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยรถอยู่ใกล้เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกในมากเคยไปในโรงงานแห่งหนึ่งเขานด้บนไปแล้วก็ท่านผู้อานวยการก็เล่าฟังว่า คนงานที่นั้นเนี่ยมือขาดมือพิการเนี่ยมันเยอะนิ้วขาดมือขาดบางทีก็ขาดไปถึงครึ่งแขนโดยครึกจักแล้วก็สอบถามไปตสอบถามมาคือประมาทกับเคลิบหลับคือทางานจนหลับไปลักษณะความเคลิบเคริ้มหรือง่วงนอนเนี่ยเป็นอาการเป็นอุปสรรคอย่างแรงกายก็ไม่พร้อมนะฮะจิตก็ไม่พร้อม แล้วความสะดุ้งหวาดเสียวจิตจะไม่ตั้งมั่นนะมันบอกแวกอกแฝกอกแฝกมันวิ่งไปวิ่งมานึกนั้นนึกนี้นึกโน้ น, น, น, นไม่ว่าอะไรก็ตามคือเราจะทําอะไรก็ตามนะถ้ามีความสะดุ้งหวาดเสียวจูอยู่เช่นเรามีปัญหาขาดใจอยู่ตัวสมาธิเนี่ยมันจะไม่เกิดไม่ต้องพูดถึงเจริญกรรมฐานหรอกคือจิตส ง, งบด้วยการอ่านหนังสือด้วยการทํางานด้วยการขับรถด้วยอะไรก็ได้ ใจมันจะไม่สงบเรานี้เป็นอุปกเกตของใจเดียกันดังนั้นอย่างหนึ่งคือตื่นเต้นจิตตื่นเต้นมากไปลักษณะการตื่นเต้นเนี่ยตามปกติมันไม่ค่อยมีเหผลอะไรคือไม่รู้จะตื่นเต้นมาทําอะไ ร, รลองสังเกตว่ายัาง ก, นนกรณีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ตอนสงครามยุทธชีเนี่ย คือสถานการณ์อย่างนั้นถ้าจิตใจไม่หนักแน่นมันคงจะตื่นเต้นและจะตื่นสนุกตกใจหายไปไหนแต่ท่านส ง, งบเย็นอย่างยิ่งยวดมันแสดงด้วยจิตตาโนภาพที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมองไปนี่มีค่าศึกพืชไปหมดเลยเป็นแสนแสนท่านก็มีแค่ช้างสองเชือกกับพระนุชาท่า น, นั้นเองก็มีจ้ตัรงกระบาดมีกลางช้างหลังช้างก็เบ็ดเสร็จก็ สิ่กว่าคนแต่มีพระไทยหนักแน่นเชิญเขาออกมาชนช้างกันด้วยความสงบเย็นอย่างยิง น, นี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าจิตไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยแม้จะเจอสถานการณ์วิกฤตรุนแรงอะไรก็ตามก็าสามารถที่จะขจัดปัดเป่าไปได้ หรือว่าพลิกรายให้กลายเป็นดีได้แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องพูดไกลถึงถึงระดับสมาธินะแต่เรามองอีกทีหนึ่งว่ามันก็เคยเกิดแม้แก่พระพุทธเจ้ากนระดับพระพุทธเจ้าก่อนจะสรู้พวกเหล่านี้ก็เคยเกิดแต่มันไม่ใช่ตัวจิตเนี่ยนะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่จิตมันเราก็สามารถสงบมันได้และการขนอง การขนองกายขนองวาิจาของบุคคลนะครเราจะเห็นว่าอาการขนองเนี่ยมันจะประมาทมันจะประมาทโดยธรรมชาติคนเราไม่ว่าอะไรก็ตามขนองเวลาเนี้ยอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยพวกสิ่งรถทั้งหลายเนี่ยสิ่งมอเตอร์ไซค์สิ่งรถจนสิ่งรถแข่งอะไรต่างๆกันตายกันเยอะปีๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะว่าอย่างไงไมันก็น่าจะพูดจา ก, กันเกิดความเข้าใจใยอมรับรู้ถึงความจริง ปรัปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่มีความพร้อมที่จะไปทําอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ก็เป็นความจริงที่น่าห่นใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือความเพียรที่มากเกินไปเรออาจะลืมนะครับพระพุทธศาสนานั้นมันมีลักษณะของมัชชิมาเนี่ยมัชชิมาเนี่ยมันต้องอยู่ทุกแห่งแหะ คือสายกลางมากเกินไปก็ไม่ดีเรายกตัวอย่างเช่นเมตตาเนี่ยเมตตามากเกินไปมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นฉันทากติคือลำเอียงเพราะรักใคร่กันปกป้องโอง้ปุ้มคุ้มครองอย่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยส่วนมากมันมันไม่ค่อยเมตตาจริงคือมันกลายเป็นฉันทากตินีเยอะ ขเขามาบุกบอกว่าลูกของตนทาผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแก้ต่างให้แล้วอ่ะทั้งๆ ท, ที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยแก้ต่างให้แล้วพอเขาบอกว่าลูกทำดีอย่างนั้นอย่างนั้นก็เพลิเพลินโอ้เชียร์ใหญ่เลยนี่คือแสดงให้เห็นว่าข้อมูลในด้านการวินิจฉัยเนี่ยมันจะอ่อนแอแล้วก็บางครั้งบางคราวเนี่ยมันแยกไม่ออก แยกไม่ออกระหว่างความเมตตากับพวกกรรมราคะเพราะกิเลสประเภทนี้มันมีลักษณะทนุถนอมไม่ใช่คือกิเลสกฐธรรมะประเภทนี้มีลักษณะคล้ายๆกันคือทนุถนอมโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลอาทรห่วงใยเนี่ยเหมือนกันลักษณะนี้ดูเหมือนกันแต่ว่าแนวกรรมราคะนี่มุ่งให้เขาตอบสนองความต้องการของตนต้องตอบสนองความต้องการของตนคือมิตนเป็นศูนย์ แต่ถ้าเมตตาเนี่ยมันมีคนอื่นเป็นศูนย์มุ่งให้เขาไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่เบียดเบียนการไม่ประทุษร้ายการให้เขาอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของเขาเราต้องการเห็นเขาเป็นอย่างนั้นเมื่อก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มุติตาคือชื่นชมยินดีกับเขาแต่ถ้าการมาราคะไม่ได้การมาราคะถ้าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราเกิดโทสะ และถ้าสิ่งนั้นต้องสูญหายไปแตกทําลายไปตายไปโดยเกิดโศกคือเกิดโศกตรงนี้บางทีเราก็แยกไม่ออกว่าอันนี้มันเป็นอาการของอะไรก็ น, นึกว่าเป็นธรรมะทีนี้ความเพียรก็มีลักษณะอย่างนั้นความเพียรถ้าหย่อนเกินไปเนี่ยมันจะง่วงมันจะไม่พร้อมมันจะไม่กระจับกระเชงไม่กระปี้กระปร่าแต่ถ้ามากเกินไปในเราจะฟุ้ง ใจจะไม่สงบทำงานหนักมากเกินไปเหนื่อยมากเกินไปใจจะไม่พร้อมที่จะต่อสู้เพราะความจำกัดเนี่ยคนเราอย่งไงยังไงมาถึงจุดหนึ่งมันต้องหยุดนั่นไปรูปไม่ได้ไม่ว่าจะตามการงานศึกษาเราเรียนจะเดินกรรมาฐานเดินตรงกลมไม่รู้อะไรนะทั้งหมดเนี่ยอย่าให้เพียรมากเกินไปและย้ายเพียร น, น้อยเกินไป ถ้าเรามองดูเหมือนตัวน็อตต่างๆให้เราสังเกตนะฮะตัวน็อตต่างๆเนี่ยคือเราใส่เข้าไปนี่หลวมนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะฮะคับนิดหนึ่งก็ไม่ได้ต้องพอดีเลยจึงจะใส่น็อตลงไปได้เมื่อการฝึกการทำจิตให้สงบหรือการทำการงานอะไรก็ตามย้ายหนักเกินไปย้ายหมกมุ่นครุ่นคิดจนไม่เป็นอันกินนนอนนี่มันก็มากไปนะ แต่ว่าถ้าปล่อยประละเลยชาชามเย็นชามมันก็แย่เกินไปในขณะเดียวกันความเพียงที่หย่อนเกินไปเนี่ยความเพียงที่ย่อหย่อนที่หละหลวมมันจะเกิดโทษเกิดทุลีขึ้นเป็นอันมากวันถ้าย่อนเกินไปก็มีปัญหาอีกจะทำยังไงว่าอย่าให้ตึงเกินไปและอย่าให้หย่อนเกินไป เช่นสมมติเราจะอ่านหนังสือเนี่ยบางครั้งบางคราวก็อ่านกันจนหลับสปปงกแล้วสปปงกอีกก็นอนฟุ๊บขาหนังสืออยู่ไม่ได้ประโยชน์อะไรถึงคราวนอนก็คือนอนแม้แต่ตอนที่ส่งแสดงเรื่องการใช้ความเพียรพยายามแก้ง่วงของแกพระโมคคัลลานนะเราแสดงไปได้เจ็ดแปดข้อเสร็จแล้วก็จบลงที่นอน แต่ว่านอนยังมีสติที่เตรียมพร้อมจะลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจต่อไปคือโดยปกติแล้วก็ท่อก็ถือว่าการนอนหลับนั้นทำให้ชีวิตมันเป็นหมันคือว่าเปล่าไปแต่ยังไงร่างกายก็ได้พักผนะ่อนนะคือถ้าเทียบกับการเนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของกามาชันทะแล้วก็นอนสตดดีกว่าด้วยอนาจพยาบาทก็ดีด้วยอนาจวิหิงส า, าก็ดีนอนสติดีกว่า จิตมันไม่ชอกซ้ำอย่างน้อยร่างกายก็ได้พักผ่อนจิตก็จะลดความตรึงเครียดลงไปอีย่างหนึ่งคือความกระสันอยากกระสันอยาก น, ยนี่ยุ่งนะฮะให้เราสังเกตว่าเช่นเราเดินเนี่ยเราอยากถึงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าทางมันไกลมากนอนในอยากหลับเนี่ยรู้สึกว่าเครียด หรือทำงานอยากสำเร็จเนี่ยมันจะจะลำบากคือคือสมมติว่าเจ็นเป็นนักกีฬาไงเนี่ยถ้าคิดว่าจะเล่นเอาชนะแล้วเนี่ยจะเครียดมันจะเครียดจะเกรง็งแต่ว่าจะเอาทำให้ดีที่สุดความสำเร็จของการงานที่เราทำเนี่ยคือรางวัลที่เราได้ เราใช้ความเพียรายามถึงที่สุดแล้วไม่ได้คิดว่าจะเอาชะนะใครหรือว่าแพ้ใครนะฮะจะแสดงฝีมือให้เต็มที่แล้วก็จะลดความตึงเครียดลงไปได้ข้อนี้ลองสังเกตนะฮะอย่างแม้แต่ระดับพระอนุน์ก่อนที่ชัานจะบรรลุมรรคผลเนี่ยก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระหันนะฮะ ขั้นชา้นความเพียรหนักมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เอาไว้ว่าจะบรรลุมรรคผลเป็นพระหัน์ก่อนวันเขาทําสังขารนาทรงบอกล่วงหน้าไว้ก่อนจะปฏิภานะนะฮะคนท่านก็มั่นใจของท่านเนี่ยทําความเพียรเต็มที่แต่ในที่สุดเป็นความเพียรเกินไปความเพียรเกินไปก็ท่านก็ดูออกเพราะว่าท่านแตกฉานในพระไติฎด เลยก็ลดระดับความเพียรลงมาคิดว่าจะนอนสักหน่อยก็นั่งลงบนเตียงนะฮะหวัวยังไม่ถึงหมอนนะที่จริงก็เรียกว่าเสียนยังไม่ถึงหมอนนะเพราะว่าท่านเป็นราชกุมารแล้วก็พระบาทยังไม่พ้นจากพื้ น, นก็บรรลุเป็นพระาหารันนั่นคืออะไรก็คือว่าความกระสันอยากที่จะบรรลุเนี่ยมันลดลงไป บางทีเราจะเริญสมาธิอยากสงบมันไม่สงบหรอกเพราะไอ้ตัวอยากนะเป็นอุปสรรคกองความสงบแลวตัวความสงบเนะี่ยมันไปสยบตัวอยากเพราะถ้าอยากกับสงบเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าอยากก็คือไม่สงบถ้าสงบก็คือเราไม่อยากเป็นลนักษณะทวิภวะคือเป็นความจริงสองด้านนะฮะคืออยู่ตรงกันข้ามกันแล้วก็ ความใส่ใจในเรื่องต่างๆคิดโน้นคิด น, น, ดนี้คิดนั้นเรื่อยเอยนะฮะไปอหญ่อันนี้เลิกพูดเลยคือสมาธิบางทีเนี่ยมันเอาเรื่องเหมือนกันนะคือนั่งสมาธิปั๊บแล้วไปไหนไม่รู้เพราะถ้าไปอย่างนั้นแล้วก็อย่างไงยังไงก็อใหญ่มันเพลิดมากไปก็เอาธรรมะมาคิดจะเอาธรรมะมาคิดเอามาพิจารณาเสียคือให้มันอยู่คือหมายความว่าสมถะเราทําไม่ได้แล้วเราพิจารณาในแนวของวิปัสสนา แล้วจิตก็จะเป็นอย่างนั้นนะครบางวันก็ไปทางสม ร, รมะบางวันก็ไปทางวิปัสสนาแต่ว่าเราอย่าให้เพลิดไปจนถึงว่านั่งสมาธิทีมปเพิ่มกิเลสเป็นเอี่ยมนึกถึงรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสหน้าจะต้องมันก็แย่หน่อยนะฮะแต่อย่างนั้นมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีรูปแบบการสมาธิหรือนั่งอย่างไงก็ได้แต่ถ้านั่งมีรูปแบบการสมาธิแล้วเนี่ยอย่งน้อยบางนก็หวนจะลดกิเลสลงไป ความคิดโน้นคิดนี้คิดนั่นเนี่ยที่จริงก็คืออาการของเรียกอุทัต จ, จักกุจักคือฟุ้งซ่านสุดท้ายก็ฟรรุ้งซ่านแล้วในสุดก็จะรําคาญตัวเองที่ว่าควบคุมตัวเองไว้ไม่อยู่ประการต่อไปก็คือการเพ่งอรูปทั้งหลายนานเกินไปหมายความว่าเพ่งนามธรรมทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าท่านจเจริญมาในระดับ ก็เรียกว่าจะเข้ามาในพวกฌานแล้วนะทีนี้จะเพ่งรูปหรืออนรูปก็ตามนะมันจะรู้สึกเมื่อยรู้สึกล้ารู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็จะเครียดวันแนวแน ว, แนวการเจริญกรรมฐานด้วยการทํางานอะไรก็ตามนะให้เราลองสังเกตว่าอย่างรูปแบบที่พระเจ้าวางไว้ให้พระเนี่ยถ้าเราทําตามนั้นจริงๆไม่ต้องไปบริหารร่างกายอะไรเลยมันบริหารอยู่เสร็จแล้ว เช่นว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยปัดกวาดเส้นนาสนะเช็ดถูที่อยู่ที่อาศัยทําความสะอาดห้องน้ําห้องท่าเนี่ยมันได้เงื่อแล้วอะ่ะแล้วก็อาบน้ำเอาท่าร่างกายกระปรีก้กระเป่าเสร็จแล้วก็ไปบินทบาทก็ได้บริหารร่างกายแล้วบริหารกายก็ต่อมาก็ฉันฉันพัตนาหารทําวัดสวดมนุนก็ได้บริหารร่างกายแล้วก็เดินกลับไปกลับมาแล้ แล้วก็ไปเจริญกรรมฐานอย่างในสมัยโบราณเนะี่ยมันไม่มีชั้นเรียนในชั้นเรียนถ้าก็ปัดกวาดบริเวณกุฏิเสนาสนะบริเวณวัดไรต์อาไรต่างๆตักน้ามาใสา่ภาชนะถูพื้นอะไรต่างๆดูแลความสะอาดเรียบร้อยของกุฏิเนี่ยก็มีสติอยู่ตรงนั้นอนะ่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งกรรมฐานเสมอไปเพราะกรรมฐานเนี่ยแป่าการงานทางใจ โดยเนื้อหาสาระว่าทำยังไงก็ได้ไอ้จิตมันสงบจากนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสมถะทีนี้จะคิดอะไรก็ได้แต่ถ้าเห็นความจริงตามกฎของปัจัยหลักแล้วมั่เกิดเบื่อหน่ายเกิดคลายกำหนัดเพลิดเพลินยินดีลงไปมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนสังเกตว่าการตรวจสอบนี่เป็นการตรวจสอบข้างใน แล้วแก้ไขที่ตัวเราเองแต่ลักษณะาทางสังคมเนี่ยมันจะมองไปทางชอบแก้ไขคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนน่้นเป็นอย่างรน้นก็เลยก็ยุ่งไปหมดเลยถึงบางครั้งบางคราวก็ทาให้นึกถึงเรื่องเปรตที่แก้ไขคนนอนมาสาานัสยิดนะก็ว่าในศาลาแห่งหนึ่งมีคนไปพักนอนคนเดินทางไกลก็มาพักนอนตามศาลา แต่ียบเทียบมันคือมองดูมนุษย์เนี่ยไม่เรียบร้อยเลยนอนไม่เสมอกันก็เลยก็มาจัดเท้าให้เสมอกันรก็ชื่นชมกับเท้าเสมอไปดูหัวมันไม่เสมอเดี๋ยวไปดึงหัวหเสมอกันเดี๋ยวชื่นชมกับหัวเสมอมาดูเท้าไม่เสมอ ก, ก็ดึงขึ้นดึงลงอย่างเงี้ยนะในที่สุดตัวเองก็ไม่ได่นอน่ะคนก็ไม่ได้หลับเพราะอะไรว่าไปทําในเรื่องที่มันทําไม่ได้ ไปคิดในเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาและตัวการสำคัญที่สุดก็คือไม่เข้าใจตัวสภาวะธรรมเหล่านั้นหรือว่าสิ่งเหล่านั้นสถานภาพของสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรก็ตามต้องเข้าใจในตัวสถานภาพขาหรือสภาวะของเขาแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นโดยการใช้ปัญญาปินิพพิจนา แล้วสามารถลดตานหามานาทิฐิลงไปได้มากน้อยไม่รู้่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ศาสนาทำจิตได้สงบด้วยการเพ่งดูอะไรก็ได้ทํางานก็ได้ให้มันอยู่กับเรื่องเดอกนั้นถูพื้นก็ได้กวาดขยะก็ได้แต่ให้ทําอย่างมีสติจดจ่ออยู่กับเรื่องดอกนั้นมันก็จิตก็ตงสงบ อ, อยู่กับเรื่องดอกนั้นกกวั น, น, นแนวเขาเรียกอะไรแนวแนวแนวแน ว, แนว EQ จิต ก็ที่จริงก็คือแนวเหมือนกับ ส, สัมมัญญะปปะพระสัมมัญญาปปะพะญญปร ะ, พะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แนวกรรมฐ า, านคือหมายความมาให้คนมีสติสัมมัญญาความเพียรอยู่ในเรียบ ท, ทั้งหลายไม่ว่าจะเคลื่อนไหวยังไงก็ตามให้อยู่กับเรื่องเหล่านะี้หมายความว่ามีสติสัมมัญญะอยู่อย่างต่อนเนื่องตลอดแล้วก็ถ้ามีได้มันก็ สภาพจิตสุขภาพจิตมันก็ดีโดยธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าอย่าไปยึดติดในรูปแบบมากเกินไ ป, ปเพราะถ้ายึดติดในรูปแบบมากเกินไปแล้วเนี่ยมันต้องไปรอคอยรูปแบบธรรมะในปฏิบัติได้ทุกขณะก็อยู่ที่จิตเราคิดได้เป็นนะฮะเราก็ได้ประโยชน์อยู่ทุกทุกขณะมากน้อยนะเป็นอีกเรื่องหนึง่งทุังทั้งหลาย แต่โรบประพูิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไพบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี